นะเรงทกันเนาเราก็ได้สาทยาประสูตรมองตนว่าเป็นเท็กเป็นจริงอย่างไรก็จะได้ประบาทชีวิตนี่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์จนยากเกิดขึ้นแล้วเจเสียตายไป ความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของใบเที่ยงจะจะประมาทได้อย่างไรรูปนี่นามนี่ว่าให้เป็นอย่างนั้นมั่นก็ไม่มีประโยชน์รูปนี่นามนี่เอาไว้ใช้ตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอน ทำชะน้อยการทาที่สุดแต่งของทุกต้องสิ้นนีจะพึงมีปรากฏชัดเจเราได้แล้วก็ต้องทําตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนมีอยู่ทางสู่ของไม่เจอไม่เจ็บไม่ตายมีอยู่พระพุทธเจ้า ได้ทำมาแล้วหาไวแล้วมอบให้เราได้แล้วเรามีจิตติแล้วที่จะต้องทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นมาเรียกว่าวิชากรรมฐานแน่นอนที่จุดชีวิตของเรานี้มีกรรมเป็นสิ่งที่ขีดชีวิตของเรากรรมเท่านั้น ทีจะพาให้เราเป็นอะไรขึ้นมานอกจากการกระทํำของเราทั้งกายทั้งใจกรรมเป็นสิ่งจำแนกสัตว์กรรมเป็นของของตนทํากรรมดีก็ย่อมดีทำความชั่วก็ย่อมชั่วเชื่อมั่นอย่างนี้เช่นมือห้านิ้วเจบนิ้วประนมมือ ว่าช่เอาไปทำรายอันอื่นว่าจะเอามาทำดีจิตใจมาคิดดีทำได้มีจิตทียิ่งเราก็มีาศาสนาพิธีาศาสนธรรมาศาสนาวัตถุาศาสนาบุคคล ก็ยิ่งเป็นแบบเป็นพิมพ์ให้เราได้ทําอย่างนี้อย่างดีที่สุดเป็นนักบวชออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยบ้านด้วยเรือนแล้วจิตวัดวิธีวัดมีให้เราได้ไต่ตามไปผู้ที่หนีจากความชั่วไปสู่ความดีเรียกว่าออกปวด จะดงผ้าสีใดก็ตามเพศใดวัยใดก็ตามเราตั้งใจที่จะนี้จากความชั่วไปสู่ความดีตั้งแต่วินาทีตั้งแต่วินาทีออกจากว่านจากเรือนมาจะไปสู่ความดีความดีมีเท่าไหร่จะที่ทำทเอากายทำเอาวาา่าใจทำเอาใจทำ สมชั่วเท่าไหร่มีเท่าไหร่พยายามละมีให้เราได้ละอยู่ถ้าเรามีสติมีกรรมฐานเอ็นชาวเกิดวากระตุ้ีเสียงข้องก็ดังขึ้นมาได้รมบัดสวดบ น, นสาธยายพระสูตรบรรยากาศปริสูตดีดี สมักรทำผลนี้เกิดขึ้นในอะไรตอนที่หลับพี่นอนได้อ้างว่าเหนื่อยมักนักได้อ้างว่าหนาวนักบ้งว่าหิวนัก <c oughs> งาได้ง่ายสที่ยพระสูตรเวลาสที่ยพระสูตรจิดใส่ใจตาม กายก็นั่งประดมมือหัวใจ ก, ก็เปล่งออกไปใจก็ตามไปหายใจเข้าหายใจออกเป็นระบบนิเวศ ท, ทางพุทธศาสตร์สนาหลอ่อร้อมจิตใจของเราได้ประโยชน์ทั้งกายทั้งใจอากาศปริสุทธิ์ออกจากนั้นเราก็ โดนจงกรมเป็นจิตจวัตยกมือเคลื่อนไหวบริหารต้นคอหน้าอกต้นแขนหัวใจเอากำลังกายพอเหมาะพอดีให้มันได้ิ้งอยู่เสมอร่างกายของเราใจของเราจะให้มันหมักหม้มกับจิงใดมีนสติมันจะกยืดจิงใดที่ิ้งเห็นแล้วก็ไม่มีอะไรเกาะได้ เหมือนหินในน้ำไหลตะไครจับไม่มีมีแต่เกลี้ยงเกาเช่นแม่นม้ำโขงมีค่าหินแม่น้ำของก็นั้นไหลน้ำมันไห ล, มมไหลตะไคร่ไม่มีในก้อนหินมีค่ามากประดับบ้านเรือนจัดได้ชีวิตของเราตะมันติ้งอยู่ลูกอยู่เสมอเหมือนกับกลิ้งกายก็กลิ้งใจก็กลิ้ง เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมาแต่ก่อนมีอะไรเปิดื้อนๆปิ้งไปกิ้งมาก็จะอาบบริสุทธิ์รู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่เสมอทัางกายทั้งใจแสงแางขึ้นมาหว่ามีมรรคมีผลโบราณท่านว่าตื่นเช้ามีก้าหลังยาม เอาหลังยามคือมักคือผลคือนิพพานมักสีผลสี่นิพพานหนึ่งแล้วความชั่วความชั่วหมดไปมีความดีเกิดขึ้นมันเป็นมักมเป็นผลมีกรรมมีกอบสติได้รู้สึกตัวได้ใช่ความรู้สึกตัวแล้วก็พ้นจากความหลงเป็นมักเป็นผลไปในข้าวเดียวกันไม่ต้องเป็นรอ ผู้ปฏิบัติสัมผัสได้เป็นปัจจัตตังของผู้ปฏิบัติได้เยี่ยมมักเยี่ยมผลในเยี่ยมนิพพานชีมลองได้หยุดได้เยินได้ปล่อยได้วางไม่มีตัวตนขณะที่รู้สึกตัวมิแต่รู้สึกตัวกำเนิดของตัวตนก็ไม่มีที่ตั้ง ในความรู้สึกตัวเป็นเจ้าถินก็ทำได้จริงๆริงจนชำนิชำนาญขึ้นมาง่ายที่จะรู้ง่ายที่จะเห็นง่ายที่จะไม่เป็นกับสิ่งใดได้ไไดอดได้ทนง่ายง่ายเช่นเขาว่า ความรวงความกดความหลงชั่วผูกคอพอผูกศอกมันไปยากจริงมันไม่ยากถ้ารู้จักตัวทำวิธีทำกรรมฐานมันไปได้ไปรู้จักตัวพ้นไปแล้วจึงรู้หลุดพ้นหลุดพ้น รูปนี่นามนี้เอามาสร้างมักสร้างผลไม่อาใช่เอาที่อื่นมาสร้างถ้าไม่เอารูปมาสร้างมักสร้างผลถ้าไม่เอารูปเอาน้ํา ม, มาสร้างมักสร้างผลมันก็เกิดแก่เจ็บตายไ ม, ม่ประโยชน์วันหนึ่งถ้าไม่มีสติมันก็ไหลไปทางต่ำพอใจไม่พอใจความพอใจก็มไม่พอใจเราเคยใช่จากนั้น ความุขความทุกข์เราเคยใช่อย่างนั้นความโกรธควาหลงเราเคยใช่อย่างนั้นเสียเวลามามากแล้วเรานี้มาใช่เคิดความรู้แม้แต่ความมาเที่ยงก็เสียเวลาความทุกข์ความไปเที่ยงก็เสียเวลาตกความทุกข์ทั้งท้ี่มาไม่เที่ยงความโกรธความโลภความหลงมันก็ไปเที่ยงความรักความจังมันก็ไปเที่ยง ความสุขความทุกข์มันก็ไม่เที่ยงดีใจเสียใจมันก็ไม่เที่ยงเราก็เสียเวลาอยู่กับสิ่งไม่เที่ยงมาอนานเท่าไหร่สิ่งใดไม่เที่ยงเกิดขึ้นก็นไปคงนะบางทีก็หนึ่งวันสองวันสามวันเบื่เพื่อนครับป้าเราจึงมีสติเป็นเครื่องมือ อย่าไปเสียเวลากับสิ่งใดอะไรเคคกขึ้นกบรู้จึกตัวเราทำกรรมาฐานอยู่เมื่อไม่ได้เฉียเวลาความไม่เที่ยงมาเป็นสุขเป็นทุกข์ก็มีแต่ความรู้สึกตัวความรู้จึกตัวผวมรู้สึกตัวก็มากขึ้นมากขึ้นหลุดพ้นง่ายขึ้นอะไรเกิดขึ้นมาก็หลุดพ้นหลุดพ้นโดยไม่มีอะไรที่เหลือ นับไม่เหลือแต่นิพพานเชียมลองนิพพานถาวรปล่อยวางต้องทำกรรมมันจึงเป็นถ้าไม่มีกรรมมันทำไม่เป็นวันเราจินข้าวต้องเคี่ยวอาหารค่อยขืนลงไปมันจึงจะอิม่มเมื่ออิ่มแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายชีวิตชีวาเพื่อความดี กรรมาฐานก็เหมือนกันต้องก่กอขึ้นมาจะเฉื่อยคิดนึกออกมา ไ, มได้ฝันออไมาได้เป็นฝันเวลาจินข้าวเวลาหิวข้าวมันก็มาอิ่มมันรูปกำเริบหิวข้าวก็จะฝันเวลาจินข้าว แย่คนจนไม่มีข้าวจินวันนี้จะไปขอจินข้าวที่ไหนโน่พอจะได้โน่ไม่มีงานไม่ทำงานทำการเรแจะขอจินแต่คนมีกรรมเราเชื่อมั่นในตัวเองอาประกอบขึ้นมา ขย้นเหมือนเพียรจะพร้อมหลอมริบใช้ชีวิตถูกต้องอ ด, ดทนขย้อนมีสติประห ย, ยัดไม่เ ส, สื่ลุ้ยเสื่อไก็มีอยู่มีกินปฏิบิธรทมก็อย่าเสื่อุยสุ่อไลยประหยัดบ้างในความคิดก็อย่าคิด ไม่ควรเห็นก็ไม่ต้องเห็นไม่ควรพูดก็ไม่ต้องพูดปอยอดไวปิดตา ป, ปิดหูปิดตาเสียบ้างปิดปากเสียบ้างหูสองข้างจะได้มีสติมีแต่สติเท่านั้น สติจะได้จับตาจับหูไม่ใช่จับกิจจับใจไม่ใช่เราก็มีโอกาสแล้วจะเอากายเอาใจเอารูปานามมาส่างความดีวันละความชัว่วมันก็มีประโยชน์เกิดมากเกิดผลขึ้นมา ก็มีเบื้องต้นท่ากลางที่สุดแล้วก็เราเรียนหนังสือเบื้องต้นก็ต้องหัดตู้หัดเขียนหัดอ่านมีผู้บอกมีผู้สอนตัวเองก็ต้องดูต้องหัดต้องสแสดงออกฟังวาจาก็พูดออกปล่อยหัดอ่านหัดเขียนหัดเห็นจนมันจําได้ ปฐุมเมืองต้นทำได้แต่ขานเลื่อยไปถึงมัตยมถึงฉา ด, ดดมไม่ต้องไปมีหนังสือไปเรียนหนังสือก็ไม่ต้องมีหนังสือไม่มีกระเป๋าหนังสือเหมือนกับชั้นปฐุมเอาสมองเป็นกระดาษติ้นสอไปเลยได้กินได้ฟังเข้าใจรู้แจง้ง กรรมฐ า, านก็เหมือนกันกรรมฐ า, านกัเบื้องต้นวิปั จ, จนากรรมฐ า, านเป็นท่ากลางมรรคผลนิพพานไปที่สุดบรรลุธรรมไม่ใช่เปนั่งสร้างจังหวะเดินยกมอก็ได้รู้สึกตัวที่ไหนก็ได้เมื่อไหลก็ได้รอมรู้สึกตัวไม้ใช่ โกูกโกรกในฝันก็ยังมีความรู้จักตัวก็มีฝันยังเป็นพระอยู่ยังมีศีลอยู่ไม่เปิกไม่ผิดศีลจะอยู่ในฐานะแบบไดก็มีศีลอยืนอยู่ก็บรรลุธรรมได้นั่งอยู่ก็บรรลุธรรมได้หรือหลุดพ้นได้จากความ ทุกท่องปวงไม่ใช่สร้างจังหวะไม่ใช่เดินจงกรมแต่ว่าการสร้างจังหวะการเคลื่อนไหวการเดินจงกรมนันก็เป็นแบบเฉ บ, บับที่ควรทำไม่ปล่อยไม่ทิ้งมันได้ประโยชน์ออกกำลังกายท้างกายทั้งใจจะเคลื่อนได้ไหว เดินจงกรมนันงคงงดงามห่อสมกับวกเลาที่เป็นอยู่ในป่าในดงไม่ใช่บาลีหลับลี่ดงเพื่อให้เราได้บำเป็นสำนึธรรมมีสติเล่นไปกับสติไปหลุดจกตัวไปเคลื่อนไหวไปมันก็สนุกดีมันเป็นรถชาต ที่มันมีประโยชน์ต่อรูปต่อ น, น้ำเปทหารกายทหารใจทำให้มั่งมีขึ้นมามากมายขึ้นมาหมวยใช่ท่องเที่ยวในกายในใจนี่ลยสอาดบริสุทธิ์ในรู้มันก็ทำให้ความไม่รู้หมดบ่อยหรือไม่มีอะไรเลยก็ เป็นงานที่ของนักสำนัธรรมเป็นงานของสำนณะแสดงออกแล้วก็เป็นวิชาที่พอจะนำบอกสอนทำเป็นทำได้ประสบการณ์บทเรียนอันเดียวกันมีรูปอันเดียวกันมีนามอันเดียวกัน ปัญหาเกิดขึ้นที่รูปที่น้ําเหมือนกันการแก้ปัญหาก็แก้ที่รูปที่น้ําเหมือนกันวิธีแก้ปัญหาก็มีสติเหมือนกันสติก็อันเดียวกันความผิดก็ไม่ดีความชั่วก็อันเดียวกันเห็นเหมือนกันทําเหมือนกันนั่นจึงเป็นสากลที่สุด เพื่อนมนุระชิดถามในการภายหลังจะได้ไม่จนจะไม่ได้เก้อเขินดคิดว่าจะสอนใครจะบอกใครโนจะช่วยใครโนจะพูดกับคนนี้ควรทำอย่างไรพูดกับคนนี้ควรทาอย่างไรเจ้วของอย่างไร ก็เหมาะสมเมื่อวา น, นก็มีคนมาจากกรุงเทพนะถาบมาว่าใครหลอกมาเพราะว่าไม่มีใครหลอกมาเพราะว่าหลายคนรถสองสามคันเลยรองซีดีหรือ่านหนังสือไปเชื่อซีดีหรือไปเชื่อหนังสือหรือ เชื่อๆต้องเชื่อตัวเองเวลามันหลงลูกขึ้นมาเนี่ยเชื่อตัวนี้ศรัทธาตัวนี้อย่ามาศรัทธาตัวคนเอามาทําป็นมันหลงให้ลูกทำเป็นหมายมันทุกข์ให้ลูกมันโกรธให้ลูกมันสุขให้ลูกมันดีใจเสียใจให้ลูกเนี่ยให้ทำแบบนี้ เมทํอย่างนี้ก็เกิดศรัทธาขึ้นว่ถาศรัทธาต่อกรรมคือการกระทําเอาไปทำแล้วก็มีศรัทธาเชื่อคนนั้นเป็นคนดีคนนี้นคนดียังไ ม, ม่ประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไม่เนของตัวต้องเป็นของตัวเองเอาดีคนอื่นไม่ได้พึ่งคนอื่นไม่ได้ สวมจริงเห็นต้พึ่งคนอื่นไม่ได้พึ่งตัวเองพึ่งคนอื่นได้แต่เรื่องอื่นแต่เรื่องแก่เจ็บตาเนี่มันต้องพึ่งตัวเองความโกรธความโลภความหลงความทุกข์ต้องพึ่งตัวเองหัวตัวเองโกรธต้องช่วยตัวเองลูกต้องชวเองทุกต้องช่วยตัวเองไม่มีใครมาช่วยได้ เงินล่อเงินเป็ดสอนเงินล่อก็ช่วยตัวเองไม่ได้เราใช้เงินมาด้วยให้เกิดหลายทุกข์ก็ไม่มีตรงทำหมดเองหัดให้เป็นเตรียมไว้มีสติรู้สึกตัวมาไปไวสติมาไปไวถ้าสติมาก่อนก็เหมือนลูกก่อนที่พ่อแม่วิ่งมาช่วย เราหลงเราเป็นเด็กน้อยอมาเหมือนเด็กน้อยมีสติเกิดเกินปั๊บเหมือนกับพ่อแม่มาช่วยหลุดพ้นจากความหลงความโกรธความทุกข์เจ้าจังเปรียบกับสติเหมือนอุปกรละคุณเหมือนพ่อเหมือนแม่ให้มันมีในชีวิตของเราประจอมพ่อแม่ก็ ไม่จะได้อยู่กับเราตลอดไปบางทีท่านอยู่บ้านเราอยู่นี่ที่ท่านก็ล้มหายายไปเรายังไม่ตายยังอยู่ที่นี่ให้มีสติเหมือนกับพ่อกับแม่จริงๆริงยิ่งกว่พ่อกับแม่จริงๆได้รูปเป็นนามมานี่ยิ่งเห็นบุญคุณของพ่อของแม่บ้า สุดเอารูปนี่รามนี่มาทําความดีมแม น, นพ่อแม่ตายไปก็ยังพ่อแม่ยังทำความดีอยู่ความจอยที่จะรูปได้นามที่พ่อแม่ให้กําเนิดเกิดมาได้มาทําความดีแทนพ่อเทนแม่อยากจะเทนพี่แทนน้องทุกคนด้วยไม่เสียสกุล ช่วไม่ได้เด็ดขาดทุกไม่ได้เด็ดขาดสงสารพ่อแม่พี่น้องพี่น้องเราก็ไม่อยากให้เราเป็นทุกพ่อแม่ก็ไม่อยากให้เราเป็นทุกไม่ได้เด็ดขาดเด็ดขาดทุก <soybeans S 1> <ๆ S 2> ไม่ได้เด็ดขาดช่วยไม่ได้เด็ดขาดอยู่ในฐานะแบบไหนก็ทุกไม่ได้เด็ดขาดช่วไม่ได้เด็ดขาด มันแยกกันไม่ออกเพราะบินไปลูกไปนามมันกระทบกาเทือนถึงบุญคุณคูเพ่แม่เลือดเนื้อก้อนเดียวกันไม่มีอะไรจะอบุญแทนคุณเพราะม่เท่ากับธรรมะคือคุณธรรมนี่ เดีไปบอกคนอื่นให้เกิดความดีขึ้นมายิ่งไปเสดที่จุดไม่ใช่จัดเท่าน้อยเฉพาะตัวเพื่อคนอื่นบ้างเกิดเลยขึ้นมาจะ ช, ช่วยเหลือกันและกันนับผิดชอบแม้กระทั่งเม็ดดินเม็ดหินเม็ดทรายจะดังถึกควม เป็นเจ้าของที่จะดูแลขอเป็นเจ้าของขอช่วย ข, ขอปกป้องรักษาไม <c oughs> ่ปล่อยทิ้งจำอไรไม่ได้ก็เพีเมตตาอยาเบียเพียงกันนางวังก็ไปเดินอยู่รอบต้นหลงพึ่งสเปสตา อย่าได้เบียดเบียนกันคิดดีแล้วแล้วก็มีวิธีใดที่จะห้ามคนอื่นได้แล้วก็มีแต่เมตตาให้เขาได้มีความเมตตาเมตตาตนเมตตาคนอื่นมันก็สนุกดีมีค่าขึ้นมาไ่ได้คิดที่จะไปอฉาเบียดเบียนอะไร สนุกดีสนุกปล่อยสนุกวางสนุกหยุดเยน็นโลกในมันหน้าอยู่จริงๆกลกายกลวงศอกเยาวหาหนาคืบนี่ช่ได้จริงๆริเในเื่องแก่ก็ไม่แก่ในสภาพธรรมะนี่แม้แอายุ7กตสิบปดสิปีก็ยังไม่แก่ธรรมะนี้ยังแกวแกวสอยชัดเกนแม่นยำ ไม่ความเก็บมันก็ไม่เป็นทุกข์เพราะความเก็บยิ่งย่อยธรรมะนี่เล็กน้อยไม่ได้เก็บความเก็บไม่ได้แก่วกความแก่ไม่ได้ตายวความตายสุดที่สุดชีวิตนี่เป็นสัตวประเสริฐจริงจริงชีวิตของเราที่ได้รูปได้นามมาฝึกหัดตัวช่เกิดประโยชน์ ด้ยทางความดีได้คิดดีได้พูดดีได้บอกความเทศความจริงมีเสียงมีคำพูดวิชาสมมุติบรหยัตแต่ถ้าไปตามชั่วก็โอ๊ยเป็นภาระตัวเองก็เดือดร้อนคนหนึ่งก็เดือดร้อนมากมายเป็นผลกระทบไปทั่วๆไป เราจึงงดงามนะสมมาตรนี่ามัยกายให้ใจงดงามอยู่ในโลกมือนถ้าเป็นความชั่วเราก็โอเคบาทียิตเนิ่งแขงใจตัวเองเน่าในเปียกแข็ผิดจิตรผิดธรรม ไม่ใช่สำนะอ้างตนว่าเป็นสำลักไม่ใช่เป็นผู้พิทามอ้างตนว่าเป็นผู้พิทามเอาี้เปียกแขะเหมือนบ่อเทขยะบุญล่อยปุกปิดซ่อนเล่นพระเจ้าด่าไว้หมาขี้เลื่อนงูปงเปื้อนคูด คนอื่นไม่เห็นก็เห็นตัวเราโอ้มันชั่วไม่ได้นะไอ้รูปนี่นามนี่หมักวงไปได้ให้บริสุทธิ์พุดฟ่อมันมีมรรคมีผลรูปนี่นามนี่ต่ใช่ไหมเป็นก็โอ้มีทุกข์มีโทษมี่จะทุกข์ตอนตเกิดขึ้นทุกหนอทุกหนอ หายใจเข้าหายใจออกก็ทุกข์ก็หายใจเข้าไปออกก็ทุกข์ก็มาดิจินก็ทุกข์กินมากก็ทุกข์กินแล้วไม่ถ่ายก็ทุกข์ถ่ายมากก็ทุกข์ไม่ถ่ายก็ทุกข์ในแต่ของโลกของทุกข์เลือดก็มีโรค ลมก็เป็นโลกหัวใจก็มีโลกปอดตอบไตหัวใจไตอะไรต่างๆก็เป็นโลกน้าเบือดน้ำหลองน้ำดีน้าเหมือนน้ําเหลืองเป็นโลกทั้งหมดโลกโลกจริงๆนามโลกจริงๆสาหรับมาเป็นโลกโลกอันหนึ่งโลกขอควยสะกดโลก ตึนั้นต้องไปหาหมอมีอยุดมียาบุคคลที่หนึ่งที่สองโลกที่เกิดจาก จ, จิตใจโกรธโลภโง่เกียดตันหปัญหาร0อยแต้องมาหาธรรมะรักษาหายต้อรักษาโลกที่เป็นรูปโลกน้ำโลกเนี่ยมันก็ อ, าาอ่าผ้าท้อยคนอื่นเป็นทุกข์ที่เขาเป็นทุกข์เพราะสิงที่เราไม่เป็นทุกข์ก็ไม่หมดพลังงานในความทุกข์ความคิดที่คนอื่นมัวแต่คิดหยุดคิดไม่เป็นเราพึงคันแล้วก็ไม่มีก็ไม่หมดพลังงานความคิด บางทีบางคนไม่ได้ฝึกตนสอนตนคืนเป็นขวันกลางวานันเป็นเปลวกลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิดหยุดคิดไม่ได้หมดพลังงานกลเป็นโรคประสาทไปก็มี <c oughs> ทั้งที่ไม่มีใครทำให้ <c oughs> ยึดมันก็เป็นโรคใช่ไหมเป็นก็เปรอะเพื้อนไปหมดเลยจิตเดิมๆแท้หาไม่เจอ บางท่านนี่มันมีอยู่มันเปิดเปืเป้อนอลไรปุถุว่าปุถุชนปุถุแปลว่หาหนาไอ้ความโกรธก็มีความไม่โกรธไม่เห็นเลยดับไม่เป็นทมตามความโกรธาเหลือปุถุชนถ้าหลงก็หลงไปเลยว่ามไม่หลงก็มีก็ตามาความหลงหรือว่าปุถุชน ทุกข์ก็ไม่ทุกข์ก็ไ ม, กกไม่แต่เขาทําให้เป็นเขาก็เป็นทุกข์ไปเลยเรียกว่าปุตชฌนก็หลงเขาลูกขึ้นมาเรียกกันยาณชนหรือว่ากันยาณชนหรือมนุษย์หรือเป็นพระขึ้นมาแล้วดับไประดับเดืองได้ตําแหน่งเพราะความไม่ดีได้เป็นความดีได้เป็นพระเพราะความไม่ดี ในบุญพวกความไม่ดีในละเป็นมักเป็นผลพวกพ้นจากความชั่วไม่ใช่เอามาเป็นเครื่องข้องแวะหามักหาผลไม่ใช่ไปหาด้วยเพชรเนินจินดาวันหลงเค่รู้นี่มักผลมันอยู่อย่างนี้วันทุกข์เคยรู้นี่มักผลมันเกิดอย่างนี้ มีอยู่ในรูปในนามนี่ความไม่เทีย่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนมีอยู่ในรูปในนามนี่ว่าเราย่อขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์รูปขันมีอยู่จริงรูปมหาพุทธ ร, รูปมีธาตุสี่นี่ขันห้านี่มหาพุทธ ร, รูปเดินไปเดินมา รู้จากร่อนรู้จากหนาวเรียกว่ามหาพุตธรูปมันก็เป็นทุกข์ที่เป็นรูปที่ก็เป็นทุกข์อันหนึ่งรูปที่มันเกิดจากรูปรสอินเสียงเราเห็นรูปก็เป็นรูปหูด้ินเสียงก็เป็นรูปจมูกได้กินก็เป็นรูปเป็นรูปซ่อนขึ้นมาอีกเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเกิดจุขเกิดทุกขึ้นมา เกิดดีใจเสียใจขึ้นมาอันไกับรูปอีกนหนึ่งเดี๋วแล้วเวาเรียกว่านามมารูปมาใช่มหาภูตารูปเป็นนามารูปนามรูปเรื่งเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดจริงทางตาก็เกิดนามารูปได้ทางหัวเกิดนามารูปได้จมูกดิ้นกายใจรูปรสจินเสียงเกิดนามมารูปได้ เกิดจากรูปนามในตอบเป็นนามมารูปเป็นทุกข์เกิดเจยเฉตาต่อนั่นเกิดดับเกิดดับหลายภพหลายชาติเกิดไปบ่อยเกิดทุกทีเป็นทุกลำปายการเกิดทุกขราเป็นทุกลำปลายข้าห า, า, า, าคาโล์บูคาร์บุคลนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักปาไปเอาความหลงไปกายเอาความทุกข์พาไปก่อย เรียรเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วไม่หยิบของหนักขึ้นมาอีกจะรวงตัณหงไว้เป็นผู้หมดสนิทตับสนิทไม่มีเหลือเวพระอริยเจ้าไม่มีไม่มีนามรูปนี่มีติพหานพุทธรูปเอารูปมาทำดีมาละควาชั่วมีอยู่น่ มีปากก็พูดมีมือก็ทำดีมีใจก็คิดดีพอจะเกิดประโยชน์ขึ้นตัวโลกจบความดีที่เกิดจากมหาพุทธลูปมีกายมีวาจามีใจสร้างโลกดูแลอะไรรับผิดชอบบังทีก็ลดน้าต้นไม้ได้ อรางน้อยพอจับสายยางรถน้าต้นไม้จะขุดดินฟันไม้มันก็ไม่ได้ตามฐานะของมหาพุทธลูกนี่คือเรามีลูกมีนามมาทำความดีได้จริงจริงทุกวินาทีก็ได้ลูกนี่นามนี่ สิทธิทำความดีสิทธิละความชั่วมาอะไรก็ละได้ลูกนี่ น, นั่นี่มีวิธีปฏิบัติปีสติถอนความพอใจและความไมา่พอใจในโลกออกเสียได้นะถอนออกมาความพอใจความไมาพอใจตาเห็นลูกผู้ดีเสียงพอใจไม่พอใจถอนออกมา จะหมูได้กิน่นพอใจไม่พอใจถอนออกมาลิ่นแตรถพอใจไม่พอใจถอนออกมาตาเห็นโลกผูได้ยินเสียงพอใจไม่พอใจถอนออกมาคิดขึ้นมาเกิดความพอใจไม่พอใจถอนออกมาเดี๋ยวว่าฮัตแต่เนี้ก็จะได้หลุดจะได้หลุดจะได้เกี้ยงจะได้เบาลงเบาลงสอดบริสุทธิธ์หมดจด เป็นอย่างนี้นะปฏิบัติมันสนุกดีนะไม่มีจิงไหนจะสนุกเท่ากับลิกความชั่วทำความดีในรูปนี้นะนี่ก็ใช่ไปเที่ยวตีเล่นรอนจินเหรอเสบอะไรต่างๆมีแต่ตายทั้งนั้แบบนั้นประตูความตาย ถ้าถอนความพอใจและความไม่พอใจออกมาจะไปสู่ความไม่แฉะไม่เก็บไม่ตายมันไม่มีมันสุกกันทุกนี่ถอนออกมาความพอใจมันก็ไม่เที่ยงความไม่พอใจมันก็ไม่เที่ยงนะแล้วยืนบ่อได้ต้องขวนเจอเวลา